แง่คิดจากหนังตอนเมืองไม่มีสีบควาาาาาาามมมนนนนีีีี้้้้้กกรรรรเเเฉลยยยืือออออหหหททท่่จจะใใผผููฟังสชภพย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 หมดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเสียแล้ว